อยาทำจิตให้มันเพ่งไปที่คนโน้นคนนี้ทําความรู้สึกคล้ายๆกับเรานั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคนเดียวเท่านั้นตัวเราที่นั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีแต่กายกับจิตเท่านั้นโดยตรงจะมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกาย คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตท่านเรียกว่านามนามหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมา ตาเห็นรูปเรียกว่ารูปเกิดความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปประรรมนามประรรมหรือเรียกว่ากายกับจิตที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตให้เราเข้าใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากนี้มันมุ่งหลายอย่าง ฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบให้เรารู้รูปกับนามหรือกายกับจิตเท่านี้ก็พอแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตนี้ยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเดิมจำเป็นต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้ง บางคนเข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิแต่ความเป็นจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นการปฏิบัติทางนั้นทําสมาธิให้เกิดได้ทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าความตั้งใจมั่นการทําสมาธิไม่ใช่การไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าฉันจะต้องหาความสงบ จะไปนั่งไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบๆอันนั้นก็คนตายไม่ใช่คนเป็นการทำสมาธิคือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรคืออารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์อันเดียว ธรรมดาคนเราอยากจะไปนั่งให้มันเงียบเฉยโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยมากราบอาตมาว่าดิฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวมันก็วิ่งไปนี่ไม่รู้จะทำยังไงจึงจะให้มันอยู่ให้มันหยุดของนี้เป็นของหยุดมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันวิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ บางคนก็มาฟ้องมันวิ่งไปฉันก็ดึงมันมาดึงมันมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็เดินไปที่นั่นอีกดึงมันมาอีกมันก็เลยนั่งดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละจิตอันนี้เข้าใจว่ามันวิ่งแต่ความเป็นจริงที่มันวิ่งคือความรู้สึกของเราอย่างสาราหลังหนึ่งหมามันใหญ่เหลือเกิน มันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่เท่านั้นศาลาหลังนี้มันไม่ใหญ่แต่เรามองเห็นไหมศาลานี้มันใหญ่หรือกันไม่ใช่ศ า, าลามันใหญ่หรอกมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่ живот. ตามเป็นจริงศ า, าลาแห่งนี้มันก็เท่านั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา การภาวนาให้มันสงบคำว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้งห้าร้อยบาทหรือพันบาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่บังเอิญเราเอาปากกาไปวางในที่หนึ่งเสเช่นเอาใส่กระเป๋าหน้า อีกวารันหนึ่งเอาใส่ในกระเป๋าหลังก็เลยมาคลำดูกระเป๋าหน้าไม่เห็นซะแล้วอุย้ยตกใจละตกใจเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะเหินไปมาก็ไม่สบายนึกว่าปากกาหายก็เลยทุกไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดรู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์ที่นี่เราก็กังวลกังวลไปกังวลมา แหมมันเสียดายปากกาเพิ่งจะมาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างเนี้อีกขนาดหนึ่งนึกขึ้นมาอ้อเราไปอาบน้ําตรงนั้นจับมาใส่กระเป๋าหลังตรงนี้แน่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจเสียแล้วนั่นเห็นไหมดีใจเสแล้วไม่กังวลในปากกามันแน่ใจแล้วเดินมาคลำดูในกระเป๋าหลัง นี่อย่างนี้มันโกหกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันโกหกว่ามันหายเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตมันก็กังวลเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วรู้แน่แล้วหายสงสัยแล้วมันก็สงบความสงบเช่นนี้เรียกว่าเห็นต้นตอมันเห็นตัวสมุทไทยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแนละ้วมันเป็นนิโรธดับทุกข์มันเป็นเสยอย่างนี้อย่างนั้นต้องพิจารณาหาความสงบที่ว่าเราทำสงบหรือสมาธิเนี่ยมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสเรานั่งคับมันไปให้มันสงบเฉยๆเหมือนกับ หินทับหญ้าหญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับอีกสามสี่ห้าวันเรามายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกแปลว่าหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับเฉยเช่นเดียวกับนั่งสมาธิมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลนนี่เป็นเรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบเนี่ยเราต้องพิจารณา สมาธิก็สงบแบบแบบหินทับย้าหลายวันไปยกหินออกอย่างย้าย้าก็เกิดขึ้นอีนี่สงบชั่วคราสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทิ้งมันไว้อย่างนั้นทับมันไว้ไม่ยกหินออกย้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เรียกว่าปัญญา ตัวปัญญากับตัวสมาธิเมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้ายๆคนละตัวแต่ความเป็นจริงมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิทั้งมมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันอกไปมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบหนึ่งใบเล็กๆเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาอีกแล้วมันก็สุก มะม่วงใบนี้คือมะม่วงใบเดียวกันไม่ใช่คนละใบมันเล็กก็ใบนี้มันโตก็ใบนี้มันสุกก็ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหลังท่านเรียกว่าปัญญาแต่ความเป็นจริงศีล ส, สมาธิปัญญาคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่าง เหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนะั้นมันสุกก็ใบใบเดียวนั่นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนอาการทั้งนั้นความจริงการปฏิบัตินี่อะไรก็ช่างนะให้เริ่มออกจากจิตให้เริ่มจากใจรู้จักจิตของเราไหมจิตเรามันเป็นอย่างไร มันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรก็คงงงหมดทุกคนจิตมันเป็นอย่างไรจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเราอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แต่ตัวจิตจริงๆมันก็รู้ไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ก็คือก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรนะจิต เราสมมุติขึ้นมาว่าสิ่งที่มันรับอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายเป็นจิตเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับใครรับอารมณ์ใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครเป็นผู้ปล่อยอารมณ์ตรงนั้นแหละท่านหมายถึงว่าจิตใจแต่เราไม่รู้เรื่อง ก็มาคิดวนไปเวียนมาอะไรเป็นจิตอะไรเป็นใจเลยวุ่นกันจนเกินไปเราอย่าเข้าไปเข้าใจมากถึงขนาดนั้นสิอะไรมันรับอารมณ์อารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีแต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิต อย่าไปดูมันไกลเลยการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแล้วก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือผู้ที่รับอารมณ์มันแหละมันถูกอารมณ์นี้ก็ดีใจบ้างอารมณ์นั้นเสียใจบ้าง ตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเฉยๆแต่ว่าเป็นนามธรรมาดีมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลีย่ยม มันสั้นหรือมันยาวขนาดไหนรู้ไหมมันเป็นนามธรรมามันเปรียบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้เริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่มันก็สงบนะ บางคนรู้ก็ไม่เอาให้มันส ง, งบจนไม่มีอะไรเลยเลยไม่รู้เลยถ้ามันขาดผู้รู้ตัวนี้เราจะอาศัยอะไรไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีหาความชั่ว ไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั้นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดหรือถูกฉันจะเอาแต่ถูกผิดไม่เอาจะเอาไปทำไหมเอาถูกประเดี๋ยวมันก็ผิดอีกนั่นแหละมันถูกเพื่อผิดเราก็แสวงหาความผิดความถูกความไม่ผิดไม่ถูกไม่หาหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จัก เอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันจะปฏิบัติเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท้งนั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้มันมีทั้งคมมันมีทั้งสั้นมีทั้งด้านมันมีทุกอย่าง เราจะยกมีดเล่ม น, นี้ขึ้นมาจะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหมจะจับมีดเล่ม น, นี้ขึ้นมาเอาแต่สันมันขึ้นมาได้ไหมเอาแต่ด้ามของมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันมีดคมก็คมมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาก็เอาด้ามมันขึ้นมา เอาสรรมันขึ้นมาเอาคมมันขึ้นมาด้วยไม่ใช่เอาแต่คมมันขึ้นมาอย่างเดียวนี่เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกเอาแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ต้องติดไปด้วยเพราะเราหาสิ่งที่มันดีสิ่งที่ชั่วเราจะทิ้งมันไอสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้ศึกษามันอยูุดในั้นไม่งั้นมันก็ไม่จบสิ เอาดีชั่วก็ติดไปด้วยมันตามกันอยู่อย่างนั้นถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจรึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วไม่เอาอันนี้เป็นธรรมะของเด็กธรรมะของเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันก็ตามไปโน้ถึงปลายทางมันก็รบไม่ค่อยจะดี ดูกันง่ายๆนะยมมีลูกนะจะให้เอาแต่รักเกลียดไม่เอาเนี่ยเรื่องของคนไม่รู้ทั้งสองอย่างเอารักเกลียดมันก็วิ่งตามมาฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาเราไปเรียนดีเรียนชั่วเรียนดีมันเป็นอย่างไรชั่วก็เรียนให้มันละเอียดมากที่สุดจนรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีจะเอาอยางไร เอาดีชั่วก็ ว, วิ่งตาบเรื่องสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่ได้เรียนกันนี่เรื่องที่จะต้องฉุดกันมาเรียนฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้แต่ฉันจะไม่เป็นอะไรเพราะตัวฉันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่เรียนกันมันจะไปเอาดีพอได้ดีได้ดีจนไม่รู้เรื่องจะเมาดีซ้ำซะกดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละชั่วอีกก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ เรื่องการพักจิตให้มันสงบเพื่อรู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนว่ามันคืออะไรอย่างนั้นท่านจึงให้ตามกำหนดจิตตามผู้รู้ให้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์จริงๆต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกบริสุทธิ์ไปอีกหมดมันถึงจะหมดไป เมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องก็มีผู้รู้เรื่องรู้พิสูจน์ตายถามติดต่อวิพากษวิจารเมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกบางทีคนที่ยังขังตัวมากเห็นว่าความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติที่แน่นอนแต่สงบจริงๆไม่ใช่สงบทางจิตไม่ใช่สงบอย่างนั้นฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาอย่างนี้ก็สงบแล้ว พ็ตามไปตามไปเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอีกแล้วมันติดตามกันมาทำให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจของเรานั่นแหละสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้แจ่มใสขึ้นมามันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยๆนั่นหินทับหญ้า บางคนก็เมงเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับการเดินสมาธิกับการนั่งกับยืนกับนอนมันเป็นการปฏิบัติบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญ น, นั่งแล้วมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงช่องฉันทาไม่ได้หรอกบาปมากให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่ เออไปไปให้มันหมดกรรมลองดูคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยวอ้าวไปโน่นแล้วตามไปอีกกำนดอีกอ้าวไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษาไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนทางมาชา่าเหมือนนักเรียนเกยโรงเรียนไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมัน ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรไหมมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันอ๋อจิตใจมันเป็นอย่าง เดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่นเดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันเสียการนึกอย่างนั้นเราก็รู้ว่านึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันสิว่าจิตมันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วถึงเรานั่งอยู่เฉยๆคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รัคา ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าที่บ้านโยมมีลิงตัวนึงโยมเลี้ยงลิงตัวหนึ่งลิงมันไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมันจับโน่นเดี๋ยวมันจับนี่สารพัดอย่างลิงมันเป็นอย่างนั้นถ้าโยมมาถึงวัดอาตมาวัดอาตมาก็มีลิงอยู่เหมือนกันลิงอาตมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันเดี๋ยวจับโน่นจับนี่โยมไม่รำคาญใช่ไหยทำไมไม่รำคาญ เพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงมาแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อลิงหลวงพ่อก็เหมือนลิงของฉันนั่นแหละมันลิงอย่างเดียวกันโยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้นโยมจะไปกี่จังหวัดจะเห็นลิงกี่ตัวโยมก็ไม่ราคาญใช่ไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงที่เรา เออถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงเราก็เป็นลิงใช่ไหมเห็นมันไปคว้านโน่นจับนี่ก็เฮ้ไม่พอใจราคาญไอ้ลิงตัวนี้นี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกันอยู่วัดถ้ำแสงเพชรก็เหมือนกันอย่างเนี้ยมันจะรําคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้นแต่ลิง เราไม่เป็นลิงสงบแล้วถ้าลิงมันโดดหน้าโดดหลังโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่เรื่องมันสงบอย่างนี้ อารมณ์เรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์บางทีมันก็ชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันปะไรมันเป็นอย่างนี้แหละตัวไหนๆก็ลิงอันเดียวกันเรารู้อารมณ์บางทีชอบบางทีไม่ชอบเรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วเราก็ปล่อยเสียอารมณ์มันไม่แน่นอนหรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละ เราดูมันไปก็อย่างนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์เข้ามาปั๊บก็เหมือนกับเราเห็นลิงลิงตัวนี้กับลิงตัวที่อย uh ู่บ้านเราก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็สงบเท่านั้นแหละเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราวิ่งตามอารมณ์ทำไมอารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอน เดี time, car, ๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้บางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนิยมทุกวันนี้โยมก็อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบางทีลมมันออกแล้วลมมันเข้ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวสิไม่ให้มันออกเสียงลองดูอ่ะเอออยู่ได้นะให้มันออกอย่างเดียวอย่าให้มันเข้าอีกถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่ มันอยู่ไม่ได้จําเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถึงจะเดินมาถึงวัดถ้ำแสงเพชรนี้ได้ถ้าอั้นลมจากโน้นก็ตายแล้วตานี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องมีถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีผิดก็ไม่มีถูกถูกก่อนมันถึงจะมองเห็นความผิด หรือผิดก่อนมันจริงรู้จักถูกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนนะให้อารมณ์มันมากยิ่งดีตอนนี้เราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันนี่เรียกว่าเด็กมันเกยรงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอน นี่อารมณ์มันสอนเราไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเหมือนโยมเห็นลิงลิงอยู่บ้านโยมโยมไม่รําคาญมาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่รําคาญนกะเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วใช่ไหมสบาย ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่อื่นไกลนะมันอยู่ติดๆกับเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องเทพบุะบุเทพธิดาเรื่องของเรานี่เองเรื่องของเราทําอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราพิจารณาตัวเรานี่บางทีมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีก็สบายบางทีรําคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียด นี่คือธรรมะเห็นไหมให้รู้จักธรรมะต้องอ่านอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์นี่ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายมันเกิดลุกวูบขึ้นว่าอืมอันนี้ไม่แน่หรอกแต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่าอืมอันนี้ก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นหลิงโยมก็สบาย ไม่ได้สงสัยถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ว่ามันไม่แน่นอนสักอย่างโยมเคยดีใจัหมเคยเสียใจั้มเคยตอบแทนก็ได้แน่นอนั้มไม่แน่มันไม่แน่อย่าง อันที่ว่าไม่แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะคือสิ่งท <semin> <for> uh ี่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่คนนั้นเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอ น, นิจจรมันก็ไม่แน่นโยมก็จะปล่อยวางครไม่ไปยึดมั่นถือมั่นโยมว่าอย่ามาทำแก้วชั้นแตกนะของมันแตกได้โยมจะห้ามมันได้ไหมไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตก พระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้วแก้วที่ไม่แตกนี้ท่านให้รู้ว่ามันแตกแล้วจับทุกทีที่ใส่น้ำดื่มเข้าไปแล้ววางไว้ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมันแตกแล้วเข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบไม่แตกเพราะเมื่อมันหมดสภาพแล้วไม่ดีเมื่อไหร่มันก็จะแตกมื่นั้น ทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปรักษาไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกพวกสบายเลยทำไมสบายเพราะเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโยบแหมฉันถนอมมันเหลือเกินอย่าทำให้มันแตกนะอีกวันหนึ่งสุนัขมาทำแก้วแตกนะเออเอาสุนัขตัวนี้ไปฆ่าทิ้งเสะอืม อีกวันหนึ่งสุนัขทำแก้วแตกเกลียดสุนัขถ้าลูกทำแตกก็เกลียดลูกเกลียดทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่ทำให้แก้วแตกเพราะเราไปกั้นฝายไว้ไม่ให้น้าไหลออกไปกั้นไว้อย่างเดียวไม่มีทางระบายน้ำฝายมันก็แตกเท่านั้นแหละใช่ไหมต้องทำฝายและททำระบายน้ำด้วยพอน้ำได้ระดับแค่นี้ก็ระบายน้ําข้างนี้เมื่อมันเต็มที่ก็ให้มันออกมาข้างนี้ ชนะ่ต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นทางระบายของท่านอย่างนี้โยมจะสงบ น, นะนี่คือปฏิบัติธรรมะฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่ง อาตมาปฏิบัติไป เ, เรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลยนี่คือสมาธิสมาธิคือปัญญาพูดแล้วมันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันแยกกันโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นอันิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่นั่นล่ะคือว่าเราเห็นว่ามันแน่แน่อะไร แน่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่แปลเป็นอย่างอื่นเข้าใจแหมเท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะของท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อไรทุกเลย ทิ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาว่าการปฏิบัติแค่นี้ก็พอนะทุกไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นแหละทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทยัยเช่นแก้วมันจะแตกอยู่เนี่ยเมื่อมันแตกทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี่แหละตัวสมุทยัย เมื่อมันแตกปุ๊บก็เป็นทุกข์ปัจบก็ทำลายต้นเหตุทุกข์เสียทำมันก็เกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกแล้วเราโมโหขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้ก่อนว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทั้งที่มันยังไม่แตกสมุทัยมันก็ดับไม่มีถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธดับทุกข์ เพราะดับเหตุแห่งทุกนั้นเรื่องเท่านี้แหละโยมไม่มากหรอกเรื่องเท่านี้อย่าออกไปจากนี้ไปพยายามอยู่ตรงนี้โยมพิจารณาอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเราพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีสีหน้าเป็นพื้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกหรอกโยมดูสีหน้าพยายามสม่ำเสมอระวัง ทีแรกมันพลาดไปหยุดกลับมารักษาไปอีกบางทีมันหลงพลาดไปอีกรู้แล้วกลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวสติมันถีเข้าเหมือนน้ำในกาน้าเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงเป็นหยดตอมตอมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราเร่งกาขึ้นให้มากน้ำมันก็ไหลต่มต้มต่มต้มต่ต้มต่อมถีขึ้นเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยทีนี้ ไหลเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน้ำหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนละ่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันถีจนเกินถีมันเลยติดกันเสียจนเป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะก็เรื่องเดียวอย่างนี้อุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลี่ยม มันไม่รู้จักนอกจากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นเสียอยงนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเรามันอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานี่แหละลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยก็โกรธคนนั้นเดี๋ยก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นแหละโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไร มันพยายามจะให้ทุกเกิดนั่นแหละทำแล้วมันทุกนั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันไม่มีทุกเหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมบทัยแล้วเหตุแห่งทุกก็ไม่มีทุกยังเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกอยู่อันนั้นไม่ถูกหรอกดูออกง่ายๆมันจะติดตรงไหนเมื่อไรมันทุกเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไรมันสุขจนเหิมใจเกินไป นั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันทะรวมมันเลยทีเดียวนั่นแหละค้นหาถ้าเป็นเช่นนี้โยมจะมีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอไปมาส า, ารพัดอยา่างถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างเมื่อโยมรู้จักก็จะรู้วิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยที่ว่า มันไม่มีทุกข์ไม่ให้มันมีทุกข์นี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนแบบนี้ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควรไม่ผิดเหมือนกันให้รู้เรื่องแต่การทำสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวต้องปล่อยให้มันประสบอะไรต่างๆแล้วถ่ายทอดขึ้นมาพิจรารณา พิจารณาให้มัรู้อะไรที่เจรณาเอออันนั้นมันอนิจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนลยโยมอันนี้มันสวยฉันชอบหรือเกินเออมันไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันมันก็ไม่แน่มันกันใช่ไหมถูกเปี้ยไม่ผิดแต่เอากันมันสิฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่หลือเกินไปใช่ไ้มอย่า มันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเราต้องคิดว่ามันไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานไปแม้อร่อยเลือกเกินฉันชอบมันเลือกเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราต้องพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่อยากรู้จักว่ามันไม่แน่ไม่หยกชอบอาหารอะไรแน่เลือกเกินเอาให้มันกินทุกวันทุกวันทุกวันนะ เดี๋ยวโยมก็จะบ่นว่าอันนี้มันไม่อร่อยเสียแล้วลองดูสิต่อไปอีกฉันชอบอันนั้นอีกไม่แน่อีกนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่น ถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นแต่การนั่งบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาหานอนอยู่อย่างนั้นแหละจะตายเองไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วอย่าไปทำถึงขนาดนั้นสิมันง่วงพอสมควรแล้วก็เดินเปลี่ยนอริยาบทมันซะให้มันมีปัญญาถ้า ง, ง่วงเต็มทีก็ให้มันนอนซะ แล้วรีบลุกทําความเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาสิเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทําอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลปัญญาความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้บทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจงว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิต ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจทานอาหารชิ้นนี้มันอร่อยหรือเกินนะบอกว่ามันไม่แน่โชคมันก่อนมันชอบใจอันนี้เราบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนแต่ว่าเขาโชคเราทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นทุกเขาก็ชกเราถ้าชอบฉันฉันก็ชอบครับเขาโชกเราอีก เราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อใดเราชอบอะไรก็บอกในใจว่าอันนี้มันไม่แน่อะไรมันไม่ชอบในใจเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ต้องทําเป็นทุกไว้เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นอย่างนิยมการปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกกริยาไหม เดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากก็อยากได้ทุกขนาดบางทีนอนอยู่มันก็อยากเดินอยู่มีแต่ก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันไปถึงอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้าไม่มีหลังว่างั้นเถอะเอากันอย่างนี้แหละ มันถึงรู้รอบอย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบก็มีเรื่องวิ่งเข้ามายังไม่จบเรื่องนี้เรื่องนั้นก็วิ่งเข้าไปอีกถ้ามันวิ่งเข้ามาเออเราก็บอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนเลยโยมเรื่องอะไรก็ช่างเพราะมันวิ่งเข้ามาก็ต้องชกมันเรื่อยๆชกมันก่อนเลยทีเดียวด้วยไม่แน่นี่แหละอันนี้รู้จักจุดสําคัญของมันถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่แน่ ความคิดของโยมที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยคลี่คลายออกเพราะเราจะเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่แน่เมื่อเห็นมันผ่านมามากๆอะไรๆก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาเอ๊ะอย่างนั้นแหละโยมรู้จักน้าที่มันไหลไหมเคยเห็นหั้มน้านิ่งโยมเคยเห็นไหม ถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ามันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมน่ะก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั้นแหละโยมตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้าไหล แต่ว่านิ่งดูเหมือนวิ่งดูเหมือนไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้